ในเรื่องของทิฏฐธรร ม, มิจกะะตัตถะประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสีอย่าง 1. ึอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมัน่นข้อที่สองอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาข้อที่สี่กัลยาณมิตตาความมีเพื่อนเป็นคนดีข้อที่สี่สมะชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์คือไม่ให้เืดเครื่องนักไม่ให้ฟุ้มเฟือยนักทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกขถั่งคือประโยชน์จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันอันนี้ก็หมายความว่าคุณธรรมสี่อย่างนี้ถ้าบุคคลใดประพฤติแล้วจะเห็นประโยชน์จะเห็นผลได้ในปัจจุบันทันที จะได้รับผลประโยชน์ทั้งในในชาตินีนะ้และอาจจะได้ในในขณะที่ทำเลยก็ได้นะฉะนั้นในคุณธรรมสี่อย่างนี้เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจเศรษฐนะีหัวใจเศรษฐีคนจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้จะร่ำรวยได้นะจะต้องประพฤติอยู่ในทิฏฐธรรมิกขัตถ์คือประโยชน์ในปัจจุบัน ก็คืออุทธานสัมปทาอารักัสัมปทากัยาณมิจตตาสมาชีวิตตาแต่เขามักจะพูดว่าหัวใจเศรษฐีนี่เกาคือเอาย่อๆเอาแต่หัวใจของของแต่ละประโยคมาเขาก็มักจะพูดว่าอุอากะศักนะว่าคนโบราณจึงมีกุศโลบายสอนลูกสอนหลานต่อใครท่องบทนี้แล้วก็จะร่ำรวยทุกคนไม่ยากจน คือโออากษตรนะทั้งแล้วต้องทำให้ได้โอ ก, ก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความพยันถึงพร้อมด้วยความพยันถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาลเล่าเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีโอ ก, ก็อา อ, อาก็คืออารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความบากบัน่นไม่เป็นอันตราย อ, อันตรายก็ดีรักษาการงานของตอนไม่ไหม้เสื่อมไปก็ดีข้อที่สามกัลยาณมิตรตาก็คือตัวกะมาจากกัญญาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีคือไม่คบคนชั่วเป็นเพื่อนข้อที่สี่ก็คือสะมาจากคำว่าสมชีวิตตา ต้องเลี้ยงชีวิตไปตามฐานะแนนอนที่สุดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าลองนึกดูทีว่าเราจะจนไหมไม่จนเลยนะไม่จนมีแต่ทางที่จะรวยลูกเดียวนะมีแต่ทางรวยลูกเดียวแล้วคุณสมบัติสี่ประการนี้ถือว่าเป็นกรณียะคือเป็นกิจที่จะพึงกระทำนะส่วนกิจที่ไม่พึงกระทำก็คืออบายามุกเป็นอากกรณียกิจ อบายามุกนั่นเป็นอัตยยากิจส่วนทิฏฐธรรมวิคตฐานี้เป็นเกณียกิจเป็นกิจที่พึงกระทำอาบายามุกเป็นกิตที่ไม่พึงกระทำฉะนั้นคนเราจะตั้งตัวได้นตั้งตัวได้มีหลักฐานมั่นคงได้ก็เพราะอาศัยคุณธรรมสี่ประการคือคืออุทานสัมปทาอารัสสัมปทากายานามิตตตาและสมชจีวิตาหรือหัวใจเสถียรนั่นเอง และคนที่จะได้ลาบยศสุขสันเสริญได้ในปัจจุบันนี้ในชีวิตนี้ก็ต้องประพฤติคุณธรรมสีประการนี้อีกเหมือนกันดังนั้นที่เราทำนิกรัตถะคือประโยชน์ในปัจจุบันผลที่เราจะพึ่งเห็นพึ่งได้ในปัจจุบันก็ขอให้เราทุกคนขยันคําว่าอุดฐานะแปลว่าลุกขึ้นนคนถ้ามันลุกแล้วก็เดี๋ยวมันก็ทําอะไรได้แสดงว่ามาอยู่กับพี่ แต่ถ้านอนแล้วก็แสดงว่าอยู่กับที่นะอยู่กับที่ฉะนั้นแน่นอนที่สุดเราจะต้องมีความขยันนะเพราะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าคนที่ขยันนี้เป็นคนที่ก ล, กล้ากล้ากล้าหารองอาจชานชัยไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวแดดไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อนไม่กลัวเย็นนี่ คือคนที่ขยันแต่คนที่ไม่ขยันนั้นแน่นอนที่สุดเป็นคนไม่กล้าไม่องอาจนะคือไม่กล้าไม่ยอมลํำบากพวกนี้กลัวตายมักอ้างว่าหนาวออกจะตายไปร้อนออกจะตายไปเย็นออกจะตายไปเช้าออกจะตายไปมืดออกจะตายไปไมี่กลัวตายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> กลัวตายอยู่ตลอดเวลา นี่แหละจึงบอกว่าหากว่าเราเป็นคนมีความขหยันก็จะทําให้เรามีความกล้าอกล้านะฉะนั้นก็จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้เหมือนกับพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคือความขหยันความหมักบัน่นตรกรรมะความหมักบัน่นคนต้าไม่ขยันก็พ้นทุกข์ไม่ได้มัวเกียร์ค้าเนี่ก็จนจนตาย นะไม่ทันเขาไม่จะิดนทันเขาไม่มีอนาคตเป็นนักเรียนไม่ขยันก็เรียนไปไม่ไกลเรียนไม่สูงแล้วก็ไม่รู้ดีอีกด้วยเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยนักกีฬาทุกประเภทไม่ขยันฝึกซ้อมก็สู้เขาไม่ได้นะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นกิจการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ายากหรือง่ายต้องมีขยันเป็นบรรทัฐานแล้วจะสาเร็จในการงานอนั้น ตามงานที่ยากก็ง่ายที่ใหญ่ก็เป็นเล็กน้อยที่น้อยก็สบายนะและก็เป็นเป็นบอ่อเกิดที่จะให้เรานั้นได้ลาบได้ยศสุขสนรเสริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยถ้าเราเป็นคนขยันจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนทั่วไปแล้วจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วจะทําให้ครอบครัวสังคมประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงนะ นี่พระเนื่องมาจากความขยันนะเนื่องมาจากความขยันฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงขยันนะจงขยันดังพุท ธ, ธภาษิตบทหนึ่งว่าอุทธธาตาวินทเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพได้นะย่อมหาทรัพได้ทรัพย์ในดินศิลในน้ำเรามีมือมีเท้าเราหากินได้นะไม่ต้องกลัว บางคนเขาบอกคนจีนนี่มาเมืองไทยนี่มีคานเล่มเดียวสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้ถึงกระไม้คานอนั้นต้องปิดทองเก็บเอาไว้เป็น อ, อนุสรสอนลูกสอนหลานว่าพ่อเนี่ยจเจริญมาได้โดยไม้คานเท่าหาตะลานตะลอนไปจนกระทั่งมาเป็นมหาเศรษฐีลูกเกิดมาก็อยู่บนตึกห้าชั้นเจดชั้นเก้าชั้นไม่รู้เรื่องว่าไอ้สิ่งที่ตนได้หลับได้นอนนั้นได้มาด้วยความยากลาําบากนี่ทั้นคนเดียวนี้จึงมองไม่เห็นคุณค่า จึงเรียกว่าเกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองพอลำบากนิดหน่อยก็บนเดือดร้อนซะแล้วนี่แหละไม่ได้ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นมีความขยันเป็นเบื้องแรกเป็นเบื้องแรกประการที่สองอารักษาสมุทาถึงพร้อมด้วยการรักษารักษารัดแสวงหาได้ด้วยความหมั่น ไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีนะก็คือว่าให้เรานั้นรู้จักจับจายใช้สอยนะคือทรัพย์ที่เราหามาได้เราต้องรู้จักเก็บจับจายให้มันเหมาะกันนะต้องรู้จักเก็บจับจายให้มันเหมาะกันไม่ใช่ได้มาสามสิบก็ไปเล่นหวยซะยี่สิบอย่างนี้มันก็ไม่สมดุลกันนะไม่สมดุลกันหรือว่า เราจ่ายมาเราได้มาสามสิบก็ไปจ่ายค่าอาหารหมดไปสี่สิบอะไรองนี้มันก็ไม่พอดีกันเราจะต้องรู้จักประหยัดนะต้องรู้จักประหยัดถ้าเรารู้จักประหยัดรู้จักรักษาทรัพย์แน่นอนที่สุดจะทำให้เรานั้นไม่น้อยเนื้อต่ำไม่น้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าไม่ต้องมาอ้างว่าเรามันจนนะเรามันจนแต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได อาจจะหมดไปเพราะความสุรุ่สุร่าอย่างหนึ่งอาจจะหมดไปเพราะเก็บไว้ไม่ดีถูกพวกมาตัดช่องยองมาไปอย่างหนึ่งถ้เาเราเก็บไว้ที่ไม่มั่นคงฉะนั้นนับกบัตรในสมัยโบราณจึงได้เขียนนึงคำกลอนว่ามีสลึงพึงมันจบในคร บ, บาทอยาให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงยาจ่ายลงให้มากจะยากนาน ไม่ควรซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นขาวทั้งขาวหวานนี่ต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยให้ความพอดีนะให้ความพอดียิ่งไปกว่านั้นคําว่ารู้จักรักษาทรัพย์ไม่ได้หมายเพียงแต่ว่าแค่รักษาทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าพร้อมท่อมสบายหรือสิ่งที่เราได้มาด้วยน้าพักน้าแดงแค่นั้นยังหมายถึงว่าเราต้องรักษาการงานของตัวไม่เสื่อมเสียไป คนจะพึ่งปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเรารักษาทรัพย์สมบัติคือคุณงามความดีไม่ให้มันเสื่อมเสียไปเหมือนยังในข้อของประทานความเพียรสี่อย่างอนุรักษนาประทานต้องเพียรสร้างบุ่นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นและข้อต่อไปเขบอกว่าอนุรักษนาประทานก็คือเพียรรักษาเพียรรักษาบุญนทานการกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราย่าให้มันเสื่อมไป ฉะนั้นเหมือนกับอาละกันสมบัตาก็คเราจะต้องรักษาหน้าที่คุณงามความดีของเราอย่าให้มันหมดไปอย่าให้มันเสื่อมไปนี่ฉะนั้นอันนี้เลีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากฉะนั้นพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัตินี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ครองเรือนต้องรู้จักแบ่งทรัพย์ของตนนะต้องแบ่งทรัพย์ของตนให้พอดีต้องแบ่งเป็นส่วนๆอย่าให้มัน ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนักเลิกฝูดเครื่องนะเดินทางสายกลางมัชิมะปฏิปทาท่านบอกว่าอันนี้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ตัดสอนอสิงคารมานตคือบอกว่าให้แบง่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือใช้ใจ่ายเลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งทำทุนอีกส่วนหนึ่งหรือว่าเรียก ว, ว่าสร้างบุญสร้างคณอีกส่วนหนึ่ง บงเพ็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งเอ า, ท, าทุนก็หมายถึง่เอาใช้จ่ายในการเลี้ยงในการดำรงชีวิตต่อไปบำเพ็นกุศลส่วนหนึ่งก็คือทำบุญให้ทานเก็บไว้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพะหน้าเช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้จับจ่ายใช้สะดวกไม่ต้องหยิบยืมของใครปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่ารู้จักรักษาทรัพย์รู้จักรักษาทรัรพย์ว่า ให้เราเอาไว้ใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งนะทำเป็นทุนในการที่จะลงทุนลงรอน อ, ออกเป็นต้นทุนไปก่อนเพราะว่าการทําหากินบางอย่างนั้นเราจะต้องอ่ต้องลงทุนนะ อ, ออกเป็นทุนแล้วก็แบ่งบองเป็นอุศนส่วนหนึ่งทําบุญให้ทานาแล้วก็เก็บไว้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้ายามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามต้องอุบัติเหตุตา่างๆก็จะได้เอามาใช้สอยหรือว่ามีกิจการจําเป็นที่จะต้องใช้นะ อ, อย่างนี้เราก็จะต้อง รู้จับเก็บจับจ่ายถ้าเราทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะเราจะไม่จนเลยนะเราจะไม่จนประการที่สามก็คือกัลายาณมิตรตาให้มีการครบเพื่อนที่ดีคือไม่คบเพื่อนชั่วนี่อันนี้ก็พูดมามามามากเกี่ยวกับเรื่องการครบบอกไว้แล้วว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัว คบคนชั่วก็พาตัวอัปราชชัยนะพาตัวอัปราชัยฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นเลือกคบแต่คนดีพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ในมงคลสูตรว่าอสเสวนาจะพาลานังตันมิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมามุตตัมมังว่าการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ที่เราทุกคนควรจะประพิคโคนปฏิบัติคนชั่วใครไปคบเข้าก็พลอยชั่วไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ชั่วจะไปคบคนชั่วก็พลอยมีกลิ่นของความชั่วติดไปด้วยเหมือนกับใบไม้ที่ห่อพันปลาราไอ้กลิ่นเหม็นก็ย่อมคละคลุ้งไปด้วยติดใบไปด้วยแต่ใบไม้ถ้าห่อของหอมมีแก่นจันทร์และแก่นปิิศนาหรือว่า ดอกจําปีจำปาดอกกระดังงาใบไม้นั้นก็พลอยมีกลิ่นหอมไปด้วยข้อนี้ฉันใดถ้าเราไปคบคนพานก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนเหมือนกับใบไม้หอมปา่าเราครบบัณฑิตก็ เ, เหมือนกับใบไม้ที่หอของหอมก็พลอยหอมไปด้วยเราไม่เป็นบัณฑิตก็พลอยเป็นบัณฑิตไปด้วยฉะนั้นคําว่ า, ากัลยาณมิตรก็คือว่าคือคนดีนะก็คือคนดีไอ้นคนดีนี่นี่ยคือเป็นเป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตอ่า คนดีก็คือว่าคนที่ไม่ชั่วคนดีเวลาพูดก็พูดดีเวลาทําก็ทําดีเวลาคิดก็คิดดีนะแต่คนชั่วเวลาทําก็ทําไม่ดีพูดก็พูดไม่ดีคิดก็คิดไม่ดีนี่มันก็ชั่วฉะนั้นจึงขอขอให้เราทุกคนนั้นพยายามคบคนดีนะคบคนดีเพราะว่าการครบคนดีคนดีนั้นย่อมแมนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์อ่าคนดีย่อมบอกเราในสิ่งที่เป็นธุระ คนดีย่อมช่วยย่อมช่วยเหลือเราในยามตกทุกข์ได้ยากอ่าได้ช่วยเหลือเราในยามตกทุกข์ได้ยากลำบากได้คนดีนั้นสามารถจะช่วยปิดบังอาพรางสิ่งไรที่มันลี้รับเรื่องส่วนตัวของเราได้และก็ยังเอาชีวิตเข้าแลกได้ถ้าเรามีเพื่อนที่ดีนะเอาชีวิตเข้าแลกได้ช่วยเหลือได้ตรงกันข้ามถ้าเราคบแต่คนชั่ว ก็มีแต่ความหายนะอาจจะถูกคนปลิ้นปล้อนหลอกหลอมสารพัดหมดเนื้อหมดตัวไปได้หมดเนื้อหมดตัวไปได้ฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนมาจงพยายามคบคนดีเมื่อเราครบคนดีแล้วนอกจากจะมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความขยันหมั่นเพียรเป็นบ่อกเกิดแห่งการแห่งลาบยศถุกสรรเสริญแล้วก็ยังจ ะ, ะได้เป็นผู้ที่เรียกว่า ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ที่สุดจะอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขประเทศชาติก็มีความสุขฉะนั้นจึงขอให้เราทุกคนนั้นคบแต่คนดีนะคบแต่คนดีถ้าไปคบคนชั่วเขา้ามันมดมีเงินเท่าไหร่นะถึงเราหาได้ไมายัางไงแน่นอนที่สุดไม่นานก็หมดในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่ง มีเงินตั้งสี่สิบโกดนะสี่สิบโกดมันกี่ร้อยล้านพันล้านก็กลังนึกดูวอสี่สิบโกดกอบสิบล้านนั่นก็เป็นโกดแล้วนะเรียกว่ามีเงินมากแต่ว่าเพราะปรากฏว่าลูกไปคบคนชั่วเขาแค่นั้นเองไปคบเอาพวกนักเลงเจ้าชู้นะนักเลงการพ น, นันนักเลงซูราแค่นั้นนแหละ ไอ้เงินสี่สิบกอดนั้นหมดไปโดยไม่ยากเย็นอะไรเลยนี่แล้วก็ยังมีตัวอ ย, าออย่างอีกเยอะบางคนที่เป็นคนดีมัแต่พอไปคบเพื่อนชั่วเขาแค่นั้ น, เ, นเพื่อนชั่วชักนําไปสารพัดเลยเอ่าไปดื่มเหล้าเมายาไปเต้นรำขับร้องอ่าไปดูหนังดูละครเขา้าอ่าบาคับอกอาบนวดสารพัดเลยเอืมนี่แหละมันจึงเกิดแต่ความทุกข์เกิดแต่ความเดอือดร้อน นะเกแต่ความหายันะ์หมดเนื้อหมดตัวเพราะเพื่อนชั่วก็มีมากม่คำความบทหนึ่งไว้ว่าคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตับตัวเงื่อนงำตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภยัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่อนะฉะนั้นจึงบอกว่าการครบกันนี่ต้องดูนะมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งชั่ว มีทั้งดีมีทั้งชั่วฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นคบแต่คนดีนคบแต่คนดีก็จะเป็นมงคลกับตัวเรามาในข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็คือว่าสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะไอ้คาว่าสมควรแก่ฐานะก็คือว่าเรามีฐานะเป็นอย่างไรข้อนี้เราต้องรู้จักฐานะของเราเรามีฐานะเป็นอย่างไรอ่า มีเงินเดือนเท่าไหร่หรือเราไม่มีเงินเดือนเรามีไรายได้เท่าไหร่เราก็ใช้จ่ายดูให้เหมาะสมกันเราอยู่กันกี่คนนี่เราก็ต้องคํานวณดูนะอันอนี้สําคัญถ้าหากว่าเราไม่ไม่ใช้จ่ายตามฐานนะฟุ่มเฟือยเกินไปก็เป็นการสร้างความหายนะฟุ่มเฟืองเกินไปก็หายนะนะทําให้เราเนี่ยไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเป็นโรคขาดอาหารก็ได้ นะเรียกว่าตึงเกินไปแล้วก็ยอมเกินไปนะไม่พอดีฉะนั้นเราจะต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยให้พอดีนะให้พอดนะีให้มันเหมาะกับกําลังทรัพย์ที่เราหามาได้ให้มันเหมาะกับฐานะของเราว่าเราเป็นอะไรานะเป็นลูกนะมีครอบครัวอย่างนี้นะลูกเป็นนัเกเรยียนควรจะใช้เงินทรัพย์เท่าไหร่อนะเราต้องรู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้ว่าเรามีลูกกี่คนต้องจับจ่ายขนาดไหน เป็นต้นสององค์เนก็ต้องรู้ว่าเรามีฐานะเป็นอย่างไรเราควรวางตัวเป็นอย่างไรควรจะใช้สอยอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับฐานะแน่นอนที่สุดเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี่เป็นเรื่องของอบยัยนี่เป็นเรื่องของอาธิธรรมลิกัดถะก็คือว่าประโยชน์ที่จะต้องเห็นในปัจจุบันฉะนั้นบางทีถ้าเขาถามบอกว่าคุณสมบัติอะไรที่เป็นเกณียะ และก็โทษอะไรที่เป็นอากาลนิยะเราก็ตอบเลยว่าที่เป็นกริยะก็คือเป็นกิจที่ผุนกระทำก็ได้แก่พฤติ ธ, ธรรมรที่กัดทัประโยชน์ทั้งสี่อย่างโทษอะไรที่เป็นอากาลนิยะก็คือโทษของอบายามุขอ่าเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำไม่พึงกระทำนะนี่เราก็ตอบอย่างนั้นหรือตอบบอกว่าที่เป็นกริยะก็คือให้เรามีความขยันเต็มที่ด้ความมัน่นอ่าให้เรารู้จัก ร, รักษาทรัพย์สมบัติหามาได้ ร, รักษาคุณงามความดีหนะ้าที่ของเรา ให้เราครบคนดีเป็นเพื่อนแล้วก็เลี้ยงชีวิตพอสมควรอสมบัติทั้งสีนี้เป็นกัียะในส่วนที่เป็นนักเลงหญิงนักเลีงสุรานักเลียงการพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรนี้อันนี้แหละเป็นอกเกอร์เนียเป็นอกเกอร์เนียคือเป็นกิจที่ไม่ควรกระทำถ้าใครกระทำก็จะทิพไถ่ทันทีฉะนั้นคนเราแรกจะตั้งตัวนั้นเราก็จะต้องหาทรัพย์สมบัติกันก่อนนะยศศักดิ์แล้วค่อยตามมา น, ะหนะหาทรัพย์เอาก่อนแะนั้นเราจะหาทัพย์ได้ก็ต้องปําเมินตามทิฏฐธรรมิกาธรป ร, ร, ร, รนะโยชน์ปําเมินตามทิฏฐธรรมิกาธรรประโยชน์เราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญและยิ่งไปกว่า น, นั้นเราต้องนึกอยู่เสมอว่าประโยชน์ทั้งสี่อย่างนี้ใครก็พุทธปฏิบัติผู้นั้นก็จะไม่ไม่ตกต่าเลยนะผู้นั้นก็จะไม่ตกต่าเลยจะมีแต่ความเจริญลูกเดียวนะจะมีแต่ความเจริญลูกเดียวขอให้ท่านอ่านเกไว้เสมอเลยว่า คุณธรรมทั้งสี่ข้อนี้ที่เรียกว่าเป็นหัวใจเศรษฐีนะเป็นหัวใจเศรษฐีคนไหนจะพุทธปฏิบัติทําคนนั้นให้เป็นเศรษฐีทําคนนั้นให้เจริญนะเรียกว่ารวยในปัจจุบันนะรวยในปัจจุบันและผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ลาบยศสุขสรรเสริญได้ไมตรีในปัจจุบันก็ต้องประพฤติคุณธรรมสี่อย่างนี้อีกเหมือนกันนะต้องขยันนะต้องมีความขยัน ต้องรู้จักการรักษาทัศสมบัติพูดง่ายๆก็คือประหยัดนั่นเองนะให้รู้จักประหยัดหรือว่าให้รู้จักคบคนดีเป็นเพื่อนนะคบคนดีเป็นเพื่อนแล้วก็ให้รู้จักจับรู้จักต้อการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะอย่าให้มันฟุ่มเฟือยเกินไปอย่าให้มันเฟือ่อยเฟืองเกินไปนะเราเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้น ยกฐานะตัวเองยกระดับของตัวเองก็จะทำให้เราั้นเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นคนดังในสังคมได้นะในสังคมได้ฉะนั้นก็ขอให้เราจงจงปฏิบัติในหลักของทิฏฐ ธ, ธ ร, รมิกัตถประโยชน์และยิ่งไปกว่า น, นั้นก็คือว่าคนถ้าหากว่าจะประกอบกิจการอันใดถ้าหากว่ายึดหลักอันนี้ไว้แน่นอนที่สุดจะไปอยู่แห่งหนึ่งตำบลใดผู้นั้นก็ จะสร้างเกียรติคุณให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงวาเป็นคนขยันกั น, นะเป็นเรื่องแรกถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเราไม่ขยันก็เท่ากับว่าเรานี้กดลุมฝังตัวเองข้อแรกนี้ถ้าหากว่าไม่ขยันก็ไม่เลวกว่าเราจะอยู่ในฐา น, นะอันใด ห, หน้าที่อันใดะแน่นอนที่สุดความขายนะความเสื่อมก็เกิดขึ้นเป็นนักเรยนก็เสื่อมเป็นข้ติดต่อก็เสื่อมก็เสื่อมไม่ว่าจะอยู่กระทรวงกรมกองอันใด ไม่ขยันทําหน้าที่นะอันนี้ก็เสือ่อมหรือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เนรไม่ขยันบําเพ็ญศีลภาวนาทุกเสียงทุกอย่างมันก็เสื่อมอีกเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องขยันพระพุทธองค์ท่านได้กล่าวไว้บทหนึ่งว่าอัจรรย์ชายภร า, ามันตาว่ามน์มีการไม่สาธยายก็เป็นมลทินก็คือเสื่อมเหมือนกันการเรียนการศึกษาถ้าเราไม่ขยันไม่ท่องไม่บน่นมันก็ลืมง่ายมันก็หมดก็เสือ่อมนหะรือนมีการไม่ ขยันในการปัดกวาดทาความสะอาดมันก็เสือ่อมมันก็เศร้าหมองนะมันก็เศร้าหมองร่างกายของเราไม่ไม่ขยันในการชําระความสกปรกไม่ขยันอาบน้ํามันก็เป็นมลทินแห่งผิวผันเกิดความเศร้าหมองอาจจะเป็นหมอกเกิดแห่งโรคต่างๆก็ได้นะหมอกเกิดแห่งโรคอีกด้วยฉะนั้นเราจะต้องขยันนะนี่ความประมาทสตินี่ก็คือว่าถ้าเราไม่มารักษาไว้ไม่รักษาไว้ แน่นอนที่สุดมันก็เป็นมนติ น, นนะก็คือประมาทนั่นเองฉนะนั้นเราจะต้องเป็นคนไม่ประมาทนะไม่ประมาทเมื่อคนไม่ประมาทคือคนที่ไม่ขาดสติคนที่ไม่ขาดสตินั่นแหละเป็นคนสมบูรณ์นะแต่คนที่ขาดสติเป็นคนไม่สมบูรณ์นะเป็นคนไม่สมบูรณ์ฉะนั้นอันนี้เคยเห็นมีม า, มากคนที่เขาร่ำรวยทั้งเกตูในเมืองไทยที่ร่ำรวยมากๆมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน เราได้อา่านประวัติของเขาแล้วบางทีต้นทุนไม่กี่บาทเจดสิบาทก็มีนะเจ็ดสิบบาทก็มีนี่คนที่มีชื่อเสียงนั่งรวยในทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ๆโตๆในทุกวันเนี่นี่จะเป็นในห้างพาต้าเนะหรือพวกอธนาคารศรีนครหรือธนาคารกรุงเทพอะไรต่างๆนานานเนี่ยเท่าที่เคยได้อ่านดูหรือพวกเจ้าของห้างร้านเซน็นทรัพาสซาอะไรเนี่ยพวกนี้นะ หรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูยังมีอีกเยอะคนไรวยนในเมืองไทยเหล่านี้คือเขาขยันในเ่ื้องแรกนั่นเองนะนี่แหละขยันประหยัดคบตัวนี่ดีเลี้ยนที่ที่ชอบเขาจึงได้ร่ำรวยนะจึงได้ร่ำรวยนะแต่ทีนี้แม่นางที่สุดในคนที่ร่ำรวยมา ก, ก่อนแล้วมายากจนที่หลังก็มีนะนี่เขาเรียกว่ากินบุญเก่านะกินบุญเก่ายังนะขอให้เราทุกคนตรงเป็นคนขยันกันเถอะเมื่อเราเป็นคนขยัน แน่นอนที่สุดจะอยู่แห่งหตนตําบลใดเราจะไม่น้อยเนื้อหน้าไปกว่าใครไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราจะมีหน้ามีตานะไม่ต้องคอยหลบคอยซอนใครทําอะไรก็ทําด้วยความภาคภูมิใจนะสิ่งใดถ้ามันเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นบุญเป็นกุศลแนะม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีเกียรติก็ทําได้เถอนะนความดีมันมีเกียรติอยู่ในตัวของมันนะแต่พวกเรานี่มักจะเลือกงานนะ เลอกานต้องมีงานต้องมีเงินเดือนดีเนี่ยเพอเราไปหวังประโยชน์มันมากเกินไปเอ่าไองานของเราบางครั้งทําก็ไม่เป็นไม่รู้ดีแต่ว่าเราไปหวังประโยชน์มากเกินไปนี่แหละจึงทําให้เกียรติงานทำการงานเป็นคนเลือกงานะไม่ดีงานไม่ดีแล้วเราก็ต้องรู้จักประหยัดอ่าประหยัดทรัพสมบัติที่เราหามาได้จะเป็นวัตถุสินของแก้แหวนเงินทองก็ต้องถ้าประหยัด อ, อ่อะไรควรใช้จ่ายไม่ควรใช้อ่าใช้จ่าย อะไรควรซื้อไม่ควรซื้อควรจะเก็บรักษาอย่างไรอย่าให้มันเป็นอันตรายไปฝากธนาคารหรือว่ า, าใส่กุญแจอใส่เซฟอะไรไว้ให้ดีให้แน่นหนาป้องกันอันตรายที่จะเกิดได้หรือไฟไหม้ได้อนะแล้วก็รักษาคุณงามความดีรักษาหน้าที่ของเราอย่าให้เสื่อมไปอนะยิ่งไปกว่า น, นั้นก็ให้เรา ค, ร บ, ค, นะครบคนดีนการคบคนดีนั่เหมือนกับว่าเราเรา ได้วิชาความรู้มาอยู่ในตัวนะเขาจึงบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงชะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้ําเค็มเต็มทะเลนี่เห็นไหมมีคนดคนีคนเดียวดีกว่าเพื่อนตั้งร้อยคนนะก็เหมือนมีเกลืออยู่สักหยิบมือหนึ่งนันก็ยังดีกว่าน้ําเค็มที่อยู่เต็มทะเลเอามาใช้จิ้มอะไรได้ใส่ต้มใส่แกงได้เกิดประโยชน์ได้นี่แล้วก็ให้เรานั้นรู้จักดํารงชีวิตในทางที่ชอบก็คือว่าอหมายถึงว่า ยาเงิมันฟเฟื่องเฟือเกินไปอย่าไปยอมอดอยากเกินไปหรือว่าจะให้มันเพิ่มเฟื่องอเกินไปนะมันก็จะเกิดความยากจนได้แน่นอนที่สุดเมื่อเราเดินทางสายกลางอย่างนี้มีความขยันอย่างนี้เราก็จะเป็นเศรษฐีดังอักษรยอวาอุอากาศเราก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองโดยทั่วกันทั้งผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์องค์ เ, เนรพระเถรเนจรีดีทางนั้นขอให้เราทุกคนจงยึดหลักในที่จทำมิตรถประโยชน์เอาละบรรได เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน น, น, ย น, ยนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะพูดในภาคของพิธีบัติเพื่อข้อบัติสําหรับครูหัดในหัวข้อว่าสันตลายิกัปทะคือคือประโยชน์ในในภายภาคหน้า สีอย่างหนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยข้อสามจาระสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่นสี่ ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นทั้งสี่อย่างนี้ได้ชื่อว่าสัมปลายกัตถประโยชน์ก็คือประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือประโยชน์ในอนาคตนะหรือประโยชน์ในพรุน้านั่นเองและคุณธรรมสามประการนี้เป็นเหตุให้เราได้สมบัติอีกต่อคุณธรรมสี่ประการนี้เป็นเหตุให้เราได้สมบัติสามประการ คือมึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพานส ม, สมบัติสมบัติจะได้สมบัติทั้งสามนี้เราจะได้ก็ด้วยความเจากอกคุณธรรมรสี่ประการก็คือสัมปยายยศถัตโยถึงพร้อม ด, ด้วยศรัทธาถึงพร้อม ด, ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยควารบริจาคทานถึงพร้อมด้วยปัญญาฉะนั้นถ้าบุคคลมาบำเพ็ญให้บริบูรณ์แล้ว แม้ใ น, ในปัจจุบันก็ย่อมจะได้รับผลเกิดความสุขความเจริญทําให้ร่างกายชีวิตและสมบัติของเราอหาสาระม่ได้ให้ประกอบด้วยให้มีสาระให้เป็นแก่นสารให้เป็นประโยชน์เรศนี้ท่านจึงกล่าวว่าทำสิ่งปรก า, ารนี้ซึงเป็นประโยชน์ทั้งในในปัจจุบันและก็ในอนาคตก็คือในภายภาคหน้านั่นเองก็จะบรรยายแต่ละข้อให้กว้างางออกไปให้เหมาะสมกับหลักสูตร ที่บอกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อสิ thought, ่งที่ควรเชื่ออะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อก็คือเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนะว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วบางคน พวกวันนี้เกิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าทาดีแล้วไม่ได้รับความดีไหนคนที่ทําชั่วกับไปรับความดีถ้าเราพิจารณาให้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดผิดหลักความจริงคิดวัจัยเราพุทธศาสน า, ษาคนทําดีคือทำอย่างไงนี่เราต้องรู้ว่าคนที่ทําดีได้ดีเขาทำอย่างไงแล้วความดีคืออะไระความดีคืออะไร ความดีนั้นมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในใจในการทําความดีนั่นก็คือว่าหนึ่งทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองสองทำไปแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นสามทำไปแล้ววินิจฉชนรับรองว่าดีนั่นแหละคือการกระทําความดีนั่นแหละคือการกระทําความดีในความชั่วก็เหมือนกันถ้าทําไปแล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อน นะคนอื่นก็เดือดร้อนและทำไปแล้ววินยู่ชนไม่รับรองว่าเราทำดีนะว้าเราทำชั่วย่อมติเตียนไม่ก็เป็นความชั่วแล้วความดีความชั่วมันอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเรานะไม่ได้อยู่นอกตัวเรามั น, มนเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนที่สุดเมื่อเราทำดีเราก็ได้รับความดีแต่เราไปตีความหมายเว่าความดีนั้นมันต้องเป็นเงินเป็นทองความดีนั้นมันต้องเป็ น, นหน้าเป็นยศ จนต้องไปชื่อเสียงจนมีคนยกย่องคนชมเชยเมื่อเราไม่ได้ลาบาไะไยศวัดาววันเดือนไม่ขึ้นยกไม่ขึ้ น, นเราก็น้อยเนื้อต่งใจว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีไอคนทําชั่วก็ได้ดีได้ลาบได้ยศได้ตําแหน่งนี่เราไปคิดอย่างนั้นเย่างนั้นมันไม่ถูกอันนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําถูกจังหวะเราทําถูกจังหวะถูกการละถูกบุคคลบางครั้งบุคคลที่เราเจ้าหนายของเรานั้นไม่ชอบอื ไม่ชอบคนประจบประแจงแต่บางคนชอบคนบประจบกระแจงคนไหนประจบกระแจงรู้สึกกลาบเยอดขึ้นคนไหนไม่ประจบประแจงลาบเยอะไมขึ้นแต่บางคนไม่ชอบคนประจบประแจงก็หลาบเยอะให้ขึ้นแต่บางคนไม่ปะจบกระแจงสยันธรรมาะกินด้วยความจุสริงจัาบยุดขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าทำโถกกาละเทสะบุคคลนแล้วก็ทําำบ่อยๆฉะนั้นอันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าความดีคืออะไรนะ อย่าไปอย่าไปหวังว่าความดีเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สมบัติความดีนั่นมันเป็นคุณธรรมอยู่ในใจเราทําดีแม้จะไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีมีคนเห็นก็เป็นความดีเราทําดีจะมีคนยกย่องหรือไม่มีคนยกย่องก็ตามก็เป็นความดีอ่าเป็นความดีนี่ฉะนั้นเราไปคิดว่าทําดีต้องมีคนเห็นต้องมีคนยกย่องต้องมีคนให้ลาภให้ยศ อย่างนี้มันไม่ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนี่แหละจะบอกว่าเราจึงต้องเบือดร้อนว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีถึงกับบางทีก็พูดเป็นำคำกรรมบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนี่มันไม่ถูกนะเป็นกา ร, รู่ประพฤติขพดควรจะพูดบอกว่าทําดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่เห็นไหมว่าทาดีได้ดีนั้นมีแม่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ให้มันทําไว้ต้องทํำบ่อยๆการทําดีต้องทํำบ่อยๆแล้วทําให้ถูกการละทําให้ถูกสถานที่ทําให้ถูกบุคคล ม, มันจึงจะได้ดีอเราเหมือนกันทําไร่ทานาทําสวนเนี่ยมันต้องรู้ทําให้ให้ถูกการ การไหนเป็นฤดูไหนที่เขาทําได้ทํานาทําสวนอ่ามันต้องทําให้ถูกไม่ถูกกับการเยนหลานก็เสียได้เอ่ยน้ําไปทำํำนาน้ํามากเกินไปก็น้ําท่วมหน้าแรงก็อาจจะแรงตายอ่าฉะนั้นก็ต้องทําให้ถูกการละเทศทําให้ถูกการละเทศแล้วก็ทําให้ถูกสถานที่ว่าพื้นดินลุ่มที่ลุ่มทีตอนจะต้องควรปลูกต้นไม้อย่างไรใช้ข้าวจะชนิดไหนอ่าที่นั้นเหมาะสมกันที่ลุ่มก็ต้องใส่ข้าวหนัก ที่ดอนก็ต้องใส่เข้าเบานะต้นไม้ประเภทไหนชอบน้ํามากประเภทไหนชอบน้าน้อยนี่การทํางานเหมือนกันเราทำกับบุคคลเราจะต้องรู้นิสัยเจ้าหนายของเราด้วยนะต้องรู้นิสัยของเจ้าหนายนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญการเข้าหาเจ้าหนายก็ต้องรู้จักการละเทศะตนะถ้ามันผิดการละเทสัแล้วมันก็เสียนะเพียงนิดหน่อยแค่นั้นแหะอาจจะเสียไปเลยก็ได้ฉะนั้นข้อนี้เราจะควรจํารวะระวังไว้ให้มากนะจําหวะระวังไว้ให้มาก ฉะนั้นที่บอกว่าศรัทธาสำหรับทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อคือสิ่งที่ควรเชื่อเช่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วงั้นความเชื่อมีคก็ยังแยกออกไปอีกเป็นสี่อย่างคือหนึ่งกรรมว่าศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อคนเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำ อ, ะอยู่ที่การกระทำข้อที่สองอวิบากศรัทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อว่า ถ้าเราทำดีต้องได้ดีเราทำชั่วต้องได้ชั่วนะเพราะว่าการรมเป็นเครื่องจำแนศกรรมังสัติตตวิพัสสติอเรียกว่าการรมเป็นเครื่องจำแนศให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้อืข้อที่สามกรรมนักจักต่าศัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนในคำว่าสัตว์ทั้งหลายนี่หมายถึงว่ามนุษย์ซึ่งหมายถึงว่า เราทุกคนทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของกรรมนะคนกินข้าวเองก็อิ่มเองจะไปให้คนทะี่ไม่ได้กินอิ่มไม่ได้ไม่ได้คนหนึงเจ็บป่วยคนหนึงไปกินยานี่มันหายกันไม่ได้คนไหนเจ็บป่วยคนนั to to นะ้นก็ต้องกินยาเองมันจึงจะหายได้จึงจะหายได้อันนี้เพราะว่าเราเราไม่เราไม่เข้าใจกันนะเราไม่เข้าใจกันบางทีเราไปได้ว่า ไอ้ที่เราทําตามชั่วกะนี่ไม่มีคนรู้คนเห็นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ในตัวมันผมไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันเป็นตัวเรารู้ตัวเราเห็นวหนว่าเราทําอะไรคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นไม่สมหวังไอ้คนอื่นเราทําดีเขาอาจจะไม่มาเก็เราทําชั่วก็ได้เราทําชั่วเขาอาจจะมาสังเสริ่าเราทําดีก็ได้แต่ว่าตัวของตัวเราเท่านั้นเรารู้ว่าเราทําดีหรือทําชั่วอืมฉะนั้นเราทำอย่างไรไว้อันนั้นเรามันก็จะติดตามตัวเราไปทั้งใน ชาตินี้และชาติหน้านะในชาตินี้และชาติหน้าแปลการที่สี่ก็คือตาถาคตตโพธิสัตว์เชื่อพระปีชาญาของพระตาถาคตว่าพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเชื่อพระปรีชาญาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบนะรู้แจ้งโลกนะเรียกว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกนี้และโลกหนะน้านี่เชื่ออย่างนี้เรียกว่าเชื่ออย่างมีเหตุมีผล เชื่ออย่างคนมีศรัทธามั่นคงในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาสาธุปฏิติตาคนเราเม่มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอย่างนี้ใช้ได้ข้อที่สองศีสลสมบูธาถึงพร้อมด้วยศีลคือการรักษากายวาจจให้เรียบร้อยไม่มีทุกข์คำว่าศีลนี้แปลว่าปกติ จนมีศีลหรือคนรักษาศีลก็คือรักษาความเป็นปกติของคนปกติของคนไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าสัตว์ไม่ได้เกิดมาเพื่อรักษาไม่ได้เกิดมาเพื่อประพฤติปิเปเวณีไม่ได้เกิดมาเพื่อจะพูดปลดไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นชูารามีไรคนไหนเคยพูดผิดในการขาดทรัพย์ตีวิตมีการากรักขโมวยฉกชิงวิ่นราวบีดล้นค่าหรือว่า ก็พูดผิดกระเวนี้จุดฆ่าอนาจารหรือว่าพูดโกหกพูดคทำยาพูดเต้นเท้าพูดเจาเสียหรือว่าเดิมพูราเมรยัยนะเดิมเป็นพวกเป็นกัญชาเหล้ายาบุรีเครื่องบมญเาต่างๆนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรงดเว้นทางนั้นนะสิ่งที่เราควรงดเว้นทางนั้นถ้าหากว่าเรางดเว้นพวกนี้ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสงบนะมีแต่ความสงบ เรื่องวาเราเป็นคนมีศีลแต่ถ้าเราลดเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แน่นอนที่สุดเราก็คือไม่มีศีลศีล น, น, นี้อยู่ในจิตใจของผู้ใดทําให้ผู้นั้นมีความร่มเย็นเหมือนกับน้ําน้ําเย็นในเราดื่มแก้ก็หายได้หิวก็หายได้แก้ร้อนได้น้ําที่ไหนเย็นปลาชอบอยู่อาศัยต้นไม้ที่ไหนร่มเย็นฝูงวิหกนกาชอบอยู่อาศัยคนเราเหมือนกันท่าใจเย็นใจมีศีลมีธรรมใครก็อยากเข้ามาพึ่งพาอาศัย ใครก็อยากเข้ามาสมาคมฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมีศีลนะจงมีศีลยิ่งไปกว่านั้นคําว่าศีลอาจจะคําว่าศิลาแปลว่าศิลาศิลแปลวก้อนหินก้อนหินนี่มันหนักมันเป็นแท่งทึกอ่าแท่งทึกฉะนั้นคนมีศีลนี่ต้องมีใจหนักแน่นบนก้อนหินใครด่าไม่ด่าตอบใครรับไม่รับตอบใครตีไห้ตีตอบใครประหารไม่ประหารตอบมีอย่างนี้เราก็ถ like devant, ือว่ามีศีล นี่สีนี่รักษากายกับวาจางานรักษากายกับวาจาสีรักษ า, กาไม่ถึงใจเพราะใจของเรานะั้นนึกคิดได้น้อยแยะสำหรับการแต่ก็เป็นโทษเป็นความสร้างหมองแห่งใจเรียกว่าทุจริตทางใจเพราะฉะนั้นสีนี้ป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางกายทางวาจากายก็ไม่ขาดสัตว์ในประพุทธิ์ปีเสวีในการทั้งหลายอแล้วก็ ไม่ลักทรัพให้ม่ไปผุดผิประเวณีทางวาจาก็คือไม่ผุดคำหยาบไม่ผุดเพ้อเจ้าไม่ผุดจอเซียดไม่ผูดโกโหกอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าทางวาจาสีนั้นก็คุ้มคของได้ฉะนั้นคนที่มีศีจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไวว่าสีลังโลเกอนุตรังสียังเป็นเยี่ยมในโลกอืเป็นเยี่ยมในโลกถ้าชาวโลกคือพวกบรรดามนุษย์ชาวโลกต่างๆ มีศีลก็คือมีความละอายเ จ, จ็ใจมีอดก็ตาคือความเกลงยกลื่มีคุณฑธรรมวิงสองประการนี้เท่านั้นศีลของเราก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ละอายต่อความชัว่วเกลียดเกลต่อความชัว่วยิ่งไปกว่า น, นั้นเรายังเปลงตัวต่อบาปกรรมอาญาต่างๆ mm. ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้แหละศีลของเราก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์และยิ่งไปกว่า น, นั้นคนมีศีลก็จะทําให้คนเป็นเทวดา อันเรื่องมาจากว่ามีความละอายเกิดใจไม่เรื่องละเมิดศีลไม่ผิดศีลีความเปงนตัวไม่ล่วงละเมิดศีลไม่ผิดศีลทั้งในที่รับในที่แจ้งพระพุทธองค์จึงได้จัดว่าฮิริโอตตะสัมปันนาสุกะธรรมสมัยตาสันโตสปุษาโลเกเทวธรรมาติวัจเจเร่คนที่ถึงพร้อมด้วยยิริโอตตะคือความละอายเกิใจความเป็นลัวมีธรรมันขาว มีธรรมขาวก็คือเป็นผู้สงบเป็นสัตวบิสุทธนะิ์เราเรียกผู้นั้นว่ามีเทวธรรมก็คือมีธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาให้เป็นเทพบริุตธิให้เป็นเทพธิดานะฉะนั้นจึงบอกว่าศีลนี้เนี่ยเปนมีานิสงฆ์มดังที่พระท่านเวลาให้ศีลแล้วก็ท่านจะสรสุปศีลว่าศีลเลนั้นสุขติยันติ คนจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลสีสเลนโพคสัมปทาคนจะมีโทษคสสมบัติสมบูรณ์ได้ก็เพราะศีลสีสเลนะนิพุติยันติคนจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลอีกเหมือนกันเนี่เพราะเพราะศีลต้องมีศีลเป็นรุ่ น, ต, นต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่แหละจะบอกว่าศีล น, นี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ถือว่าเป็น คนนี้เรื่องเป็นบรนบชิตนี่ถือว่าศีลสําคัญมาเป็นรากแก้วนะพุทธศาสนานีเน้นเน้นมากนะเรื่องรากแก้วเรื่องศีลถ้าหากว่าคนเราไม่ประพฤติศีลไม่ปฏิบัติศีลก็เหมือนต้นไม้ที่ไในรากแก้วย่อมจะโคลลน่นล้มไดศาสนาถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติศีลศาสนาก็ถึงความมิปัจจนก็ถึงความเสื่อมนะถึงความเสื่อมได้ดังนั้นท่านจึงกลับไปว่าให้เราทุกคนนั้น จะพุทธศีลปฏิบัติศีลศีลจะอำนวยประโยชน์ความสุขไม้เราตราบเท่าชราศีลนั้นย่อมจะนำบุคคลไปให้สมประสงค์ให้สู่จุดหมายปลายทางได้นักษาศีลนงคนนักษาศีลอย่างเดียวก็ไปสวรรค์ได้ไปเรหมโลกได้ ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจนตั้งใจจะพุทธปฏิบัติศีลกันแล้วก็รักษาศีลกันการรักษาศีลนั้นต้องใช้วิธีด้วยการวีรัสสามอย่างวิรัสสามอย่างก็คือว่าสมาทานวีรัสถึงให้งับเว้นด้วยการสมาทานก็คือว่า เราจะสมาทานศีลห้าศีลแปดหรือศีลอุโบสถก็ให้สมาทานกับพระหรือกับพระพุทธรูปก็ได้ตั้งใจเอาก็ได้เรียสมาทานวิรัติอยู่ที่บ้านก็ได้เราสมาทานนว่าเราตั้งใจจะงดเว้นจากตานติปัตจากงดเว้นจากการรักสักจากงดเว้นจากกา ร, รากระตุ้ผิดในความทั้งหลายจากงดเว้นจากการพูดพูดแท้แล้วก็ จะดเว้นจากการเดินโซลาเมรัยนี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมาทานเลครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสัมปฏติวัตงดเว้นในเมื่อมีเหตุการณ์มาประจวบเข้าเช่นว่าเราเดินไปก็ไปทบของตกอเป็นนาฬิกาเป็นแก้วเป็นแหวนเงินทองแล้วแต่เราต้องอธิษฐานขึ้นในใจว่าเราจะไม่ นำเอาของสิ่งนั้นมาเป็นของตนถ้าเราจะหยิบก็หยิบออกมาเพกกาื่อกล่าวคาถหาเจ้าของเอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาประกาศเราจะไม่เอาเหตุใดวาเราก็ไม่ได้เมื่อสิทธิ์ไม่อะเมิมเหตุการณ์เราประจบขึ้นเฉพาะหน้าหรือบางครั้งเราไปเห็นงูซึ่งมันกําลังกัดลูกไก่หรือกัดอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะคิดทุบมันคิดฆ่ามันแต่เราก็ต้องสร้างคิดในฐานว่าเราจะไม่ฆ่างูไม่ทําลายแต่เราอาจจะหาวิธีการช่วยเหลือ ช่วยเหลือไม่ให้นูนั่นมันกัดลูกไก่หรือว่ากัดไก่ได้ตอไกไอ่แต่โดวยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องทําให้เขาต้องเดือดร้อนหรือต้องตายอข้อทีสามก็คือสมุดเฉียดทวีทเศน์โน้ตเบ้ น, นยังเด็ดขาดอันนี้เป็นของพระอริยเจ้าเป็นของพระอริยเจ้านี่ก็คือเรื่องของกัน ร, รักษาศีลแล้วคนที่มีศีลแล้วก็แน่นอนที่สุด จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความเจ้ากล้ามีความองอาจไม่เก้อเขินในสมาคมอไม่เก้อเขินเวลาเข้าสมาคมและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นปัดัยให้เรานั้นได้มรดกสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอไม่ เ, เรื่องสิงมาในข้อที่สาม จาค้าสัมปทาถึงพรำด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลยความสุขให้กับผู้อื่นคนเราถ้าหากว่าไม่เสียสลักก็เป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็คือคนเห็นแก่ได้คนเห็นแก่ได้ก็คือคนตนหนีที่เราเรียกว่าคนตนหนีทีเหนียวคนประเภทนี้ไม่จะเริญงอกงามในการดำรงชีวิต บางครั้งก็หาเพื่อนสูงไม่ได้หาเพื่อนสูงไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรานั้นไม่มีมนุษยสัมพันธ์เพราะการเสียสละนั้นเท่ากับว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์เสียสละแรงกายแรงใจเสียสละทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างๆเราจะต้องเสียสละไอการเสียสละก็คือสละของเสียนั่นเองของเสียถ้าเราไม่สละออกไปมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นโทกเกิดเป็นภัยแก่เรา เราจะต้องสลักออกไปสลักออกไปและของบางอย่างถึงแม้จะเป็นของมีประโยชน์แต่ว่าเราได้ไปช่วยเหลือเครือกลกับคนที่เขาไม่มีเช่นว่าบางครั้งในยามที่เกิดวาตาภัยเกิดน้าท่วมล้วขอระต่างๆเกิดวาตภัยเกิดพายุอูทอกภัยเกิดน้ำ ท, ท, าาาท่ำวมหรือเกิดอัคคีภัยเกิ ด, ดไฟไหม้คนที่อยู่ในภาวะอย่างนี้ย่อมตกกระทำลำบาก อยากได้รับความช่วยเหลือฉะนั้นเขารอคอยว่าถ้าจะมีผู้ใดมาช่วยเหลือให้อาหารการกินที่รับที่นอนเสื้อผ้าท้องถิ่ น, นสบายที่อยู่อาศัยก็เหมือนกับผขว่านี้ตายแล้วเกิดใหม่เหมือตายแล้วเกิดใหม่ฉะนั้นจึงมีหน่วยอาประชาสงเคราะห์หรือว่าหน่วยอเรียกว่าประชาทางของหลวงแล้วก็ ประชาชนของค้อต้องเป็นของหลวงแล้วก็ของราชช่วยเหลือกันเะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงเป็นประโยชน์เพื่อกูซึ่งกันและกันเรามีน้อยก็ช่วยเหลือน้อยเรามีมากก็ช่วยเหลือมากนะตามตามฐานะของเราตามฐานะของเราการที่เราช่วยเหลือคนอื่นนั้นเราก็ได้รับความสุขผู้รับก็มีความสุขมีความสุขดกนกรรทั้งสองฝ่ายการบรยจากนี้ คือเราเสียสลัดกว้างๆเสียสลัดกว้างๆบางครั้งอาจจะไม่เจาะจงแต่ว่าเราให้ไปกว้างๆหรือว่ามาช่วยทหารตำรวจชายแดนที่ทําหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติที่เขาต้องหนาวต้องร้อนนอนกลางเดนกินกลางทายต้องลําบากลําบนเพื่อพวกเรา <Okay. S 1> เราก็ช่วยเหลือกันอย่างที่เขาประกาศหาพวกบังเกอร์หรือว่าพวกผ้า พาสติกตละส่งกรารทวามหนาวพวกผ้าห่มอาหารเจ้าของอะไรเนี่ยเราควรจะเสียสละักเราถือว่าเป็นอยู่เป็นแนวหลังต้องอปุดหนุนคําจุนแนวหน้าคือพวกทหารตำรวจตระเวนชายแดนต่างๆอยู่ในถิ่นต่างๆนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเราถึงพร้อมด้วยการบริจาคทา น, นในทางพระพุทธศาสนาท่านั้หมดท่านยังไม่บอกว่าให้เรานั้นเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมบางครั้งเราเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเราจะต้องไปซื้ออยู่ซื้อยาเสียสละซื้อไปซื้ออยู่ซื้อยาเอามาเพื่อรักษาอวัยวะและบางครั้งโรคบางอย่างรักษาไม่หายเราจะต้องตัดอวัยวะออกไปตัดแขนตัดขาเราก็ต้องเสียสละเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้แต่บางครั้งเราก็ต้องเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมก็คือว่า เราต้องประพฤติให้มันถูกตามทำนองรองธรรมไม่ประพฤติเสียผิดศีลนะรมให้เรานอเป็นวัในในไส้ศึกของประเทศชาติทำลายประเทศชาติเราต้องไม่เอาเนื่อว่าชีวิตของเราจะต้องเสียไปเราก็ยอ ม, อมเราก็ยอ ม, อมเพื่อเราจะรักษาคุณงามความดีเพื่อเราจะรักษาธรรมนั่นเองนี่ฉะนั้นเราจะต้องเสียสลาดเทินขนาดนี้เรียกว่าจาระสัมปทาน ในอาการที่สี่ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือรู้จัก บ, บบาปบุญคุลบุษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นคนเราลงท้ามีปัญญาแล้วก็แน่นอนที่สุดเพราะว่าปัญญาเนี่ถือว่าเป็นสิ่งกระเสือที่สุดเหมืนกับพวกดวงดาวทั้งหลายย่อมเป็นบริวารของพระจันทร์อ่อย่อมเป็นวิวารของพระจันทร์ฉะนั้นคนมีปัญญาก็คือคนมีแสงสว่างอ่คนมีแสงสว่าง นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างสมุทด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างที่เกิดจากพระอาทิตย์แสงสว่างที่เกิดจากดวงไฟทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยปัญญาาจะมาสู้แสงสว่างที่เกิดจากปัญญาไม่ได้เพราะบางครั้งคนมีแสงสว่างเกิดจากดวงไฟเกิดจากดวงอาทิตย์แล้วก็ยังโง่เขายัง เ, เบาปัญญายังมองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตามสภาวะธรรม แต่ถ้าคนมีปัญญาแล้วสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะธรรมรู้เท่าทันต่อสภาวะของสังขารรู้เท่าทันต่อกฎธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว น, นเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรกีรั ง, ย, งยั่งยืนนี่อันนี้มันเป็นกฎความจริงฉะนั้นจึงบอกว่าปัญญาโลกาสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคนเราเหงินกัน ถ้ามีปัญญาแล้วก็แน่นอนที่สุดมีปัญญาแค่อย่างเดียวแล้วก็ปัญญานี่มันใช้หากินได้สารพัดบางคนนี่ทําแค่นายกินมฟั น, น, ญญนยอย่างเดียวก็รวยได้นี่คนมีปัญญานี่รวยได้ทอาทุวงอกขายอย่างเดียวก็รวยได้นี่มันเรื่องของปัญญาทั้งนั้นฉะนั้นทางที่จะให้เกิดปัญญาก็คือหนึ่งสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการเรียน สำหรับบรราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือสุตตะมัยะปัญญาต้องฟังตรงนั้นนะถ้าไม่ฟังปัญญาไม่เกิดสมัยพุทธกาล น, นี่พระยเจา้าต่างๆพระอรหันต์ต่างๆนี้สําเร็จด้วยการฟังมีเยอะเลยนีะมีมากฟังแล้วบรรลุกุณธรรมก็ต้องเป็นพันพันนหมื่นๆจนแสนก็มีนะ huh? อันนี้ก็รวมทั้งพวกเทพยายดาด้วยฉะนั้นจะบอกว่าปัญญาจะเกิเดเกิดจากการฟังข้อสอง กินจัมมญปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอการคิดรู้จักคิดว่าคิดอะไรรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักเหตุแห่งความเสื่อมรู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักผลนี้มาจากเหตุอะไรผลที่ดีมาจากเหตุอะไรผลที่ชั่วมาจากเหตุอะไรนี่นี่ก็เรื่องของปัญญาทางนั้นวันที่สามภาวนามายาปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยเฉีนว่าทําสมาธิบ้างเจรินสมาธะบ้างเฉียนวัดมีปัจฉนาบ้างนี่เป็นปัญญาขั้นไรอีก ดังนั้นพระพุทธองค์จึได้ตรัสไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ชติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญาไม่ใช่อย่างอื่นจะหมดจดจากกิเลสตัณหาให้ก็ด้วยปัญญาทั้งนี้นะใะที่เราวิทยาการต่างๆที่จเจริญก้าวหน้าก็ได้รับการวิวัฒนาการาจากผู้มีปัญญาในสาขาต่างๆจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางจังหวัดศาสตร์สังคมาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ทุกๆศาสตร์นหนึ่งล้วนแต่ะ เป็นบอกเกิดแห่งปัญญาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นบอกว่าคนมีปัญญาแล้วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เป็นนักการใครก็ต้องการตรงกันข้ามคนไม่มีปัญญาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความหายนะมันมีแต่ความเสื่อมฉะนั้นนัเกเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายสังปรายิกัดถับ ป, ประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือในอนาคตมีสี่ อ, อย่างคือศรัทธาสัมมทตาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมมาาถึงพร้อมด้วยศีล ชาคาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการโดยจากทานปัญญาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยสัญญาผู้ใดถึงพร้อมทั้งศักดิ์การนี้ก็จะได้ลาบยศสุขสําเสริญและก็เป็นปัจจัยให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์ชมบัติและนิพพานสมบัติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเอาละการบรรยายที่จะสำเร็ ย, ยกัตถะประโยชน์มาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทุกฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดี ขอเจริญพร